ตอนนี้ไปก็ขอบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายฟังคาอธิบายสักครู่หนึ่งก่อนที่จะฟังคำ อ, อธิบายอย่างอื่นในตอนต้นนี้ขอทุกคนจะคิดตามความเป็นจริงไอ้ความเป็นจริงนันคือว่าเราเกิดมาแล้วเหนีไม่พ้นนั่นคื อ, อความเมื่อเกิดแล้วก็แก่ ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็มีการป่วยไข้มาสบายมีการทัดตราจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยจะสมหวังแล้วก็มีความตายเป็นดีสุดขอทุกคนจงอย่าลืมกฎธรรมดานี่ถ้าเราลืมแล้วเราหาความสุขไม่ได้เราจะไม่พ้นความทุกข์ ในในขณะเวลานี้ก็คิดถึงความจริงด้วยปัญญาทั้งปัญญาและสัญญาเราก็เห็นอยู่แล้วสัญญาแปลว่าความจำปัญญาแปลว่าความรู้สึกอย่างเร็วๆก็หมายว่ารู้สึกตามที่เราเห็นตามธรรมดานั่นก็คือว่ากายเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนเป็นทุกข์ความหิวก็เป็นทุกข์ ความกระหายก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่สมบายก็เป็นทุกข์ความประกอบปิดการงา น, น, นต่างๆมีความเหนื่อยยากก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็เป็นทุกข์ความตายยัเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์และความทุกข์ของเราไม่มีแต่เท่านี้ ถ้าจิตของเราชั่วนิยมความชั่วคือชอบละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วก็ทุกต่อคือไปทุกข์นรกทุกข์ในแดนเปรตทุกข์ในแดนสุรกายทุกข์ในแดนสติฉานกลับขึ้นมาเป็นคนโทษที่ละเมิดสินห้าข้อที่หนึ่ง่ละเมิด เป็นคนอายุสั้นกันตาย <c oughs> ถึงแม้จะเป็คนคนม่อายุยืนหน่อยเราก็มีการป่วยไข้มาสบายเรื่อเบียดเปีย น, น, น <c oughs> อนระเวย 15, ้ยถึงห้าข้อที่สองมีสมบัติต้องเสียหายไฟไหม้บ้านบ้างลมพัดทีบ้านพังบ้างน้ำท่วมสมบัติเสียหายบ้างถูกโจนลักโจงขโมยบ้าง โทษข้อที่สามคือการมีคนที่อยู่ในปกครองดื้อด้านลูกในปกครองดื้อด้านว่ายากสอนยากไม่อยู่ในาวาดเราก็เป็นทุกข์โทษในการดื่มสุรามีไรทาให้เราเป็นคนเป็นโรคปอดที่สาบบ่อยบ้างเป็นลูกเสวประสาท บ, บ, บ, บ้า ง, เ ป, าางเป็นบ้าบ้าง ดีไม่ดีเมื่อโทษทันหลายแล้วนี่มันลบกวลร่างกายหนะักจิตมันก็เป็นทุกข์จิตใจเศร้าหมองก็กลับลงนระกใหม่ถ้าจิตใจของเราดีมีความเป็นสุขนิยมในศินห้าปฏิบัติในศินห้าครบถ้วนมีความเคารพในพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ครบถ้วนจิตใจอ่อนหน่อยแล้วก็ไปเป็นเทวดากําลังใจเข้มแข็งแล้วก็ไปเป็นพรม ถ้ามีปัญญามากเราไม่เนิยมในการเกิดเป็นมนุษย์ษยษยปปเป็นเทวดาด้วยผมเราก็ไปไปเป็นไปเป็นสันนิษฐานดังเวลานี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก่อนจะใช้อะไรอย่างอื่นใครตัดสินใจว่าการเกิดเป็นคนนี่มันเป็นทุกข์จะไม่ขออธิบายมากแต่แค่นี้ไม่เข้าใจโง่งเกินไปก็ไปตามทางเถอะ ในเมื่อบันทุกอย่างนี้ถ้าเราอยากเกิดอีกก็แสดงเราพอใจในทุก์ถ้าเราพอใจในทุกความทุกมันเกิดขึ้นจะบน่นในใครเราช่วยทำไมใครเราช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เราต้องหาทางตัดทุกข์เอาเองให้ตัดสินใจตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนคนชั้นสูงสุดของชาวโลกคือพระมหากษัตริย์ ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ไหนที่มีความเป็นสุขจริงเต็มเรื่ความทุกข์จิ่งขอาคนคนธรรมดาคนที่ต่ำที่สุดคือยาจกก็เต็มเรื่ความทุกข์แล้วก็ตัดสินใจว่าการเกิดเป็นคนอย่างนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกถ้าร่างกายนี้ตายเมื่ไร่เป็นคนไม่เกิดแล้วเราอยากจะเป็นเทวดาหรือผมก็ใช้ปัญญา ว่าเทวดาก็ดีพรหมก็ดีมีความสุขพอเทวดากับภูมมมีความสุขแต่มันก็สุขไม่นานหมดบุญวาสนาบา ร, รมีก็ลงมาหาความทุกข์ใหม่ก็ชื่อว่าเราก็ยังโง่อยู่ขอทุกคนตัดสินใจคิดว่าการพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งสามพระนี่เป็นปัจจัยต้องการให้เราพ้นทุกข์เือดไปนิพพาน ในเมื่อท่านมอบสมบัติพระนิพพานให้แก่เราถ้าเราไม่ต้องการเรามีความทุกข์เราโทษใครก็ไม่ได้ถ้าเราต้องการชาตินี้แล้วก็ได้ชาตินี้แน่สมบัติพนิพพานที่พระเจ้าต้องให้แก่เราก็คือหนึ่งทานบารมีทานเป็นปัจจัยตัดความโลภ ก, การเริญประกรรฐานวันนี้ต้องใช้เงิน เงินที่ให้ก็ไม่จำเป็นเท่าไรก็ได้เป็นเป็นทานบารมีเงินจานวนนี้ครูก็ใช้ไม่ได้นักเรียนก็ใช้ไม่ได้จะต้องเข้าส่วนกลางเป็นส่วนของสงฆ์เป็นการตัดโลวพระความโลภศินเป็นปัจจัยสินกับสมาธิเป็นปันจจัยตัดความโกรธเราต้องเป็นผู้มีสินบรยสุด ต, ตั้งแต่วันนี้ไปจนไปถึงวันตาย ไม่ใช่จะมาสมาทานหลอกพระว่าวันนี้ฉันต้องการสินเมื่อสมาทานสมาทานไปกาการศึกษาว่าสินมีกี่สิขาบทวันนี้ว่านเลยไปหน่อยเอาแค่ห้าก็พอห้าสิขาบทนี่พอเป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสีทาคามีก็ได้ <c oughs> ถ้ารัษาสินห้าได้ครบท้วนสมาธิก็เกิด อันนี้เป็นปัจจัยระงั้ความโกรธ อ, อย่าได้อย่างเบาบางและก็ตัวปัญญาเป็นตัวตัดความหลงให้ตัวปัญญาจะไม่พูดจะไม่พูดกันทีหลังไป ต, ตอนหนังสือวันนี้ขอทุกคนจงใช้ปัญญาว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกขอเกิด ใช้นี่ความชั่วของกิเลสชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะใช้มันหมดหรือไม่หมดก็ช่างมันจะไม่ยอมใช้มันอีกถ้ากิเลสเก่งจริงให้ตามมาปฏิบัานแค่สวรรค์กิเลสมัวตามไปไม่ได้แล้วเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ เราจะไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติต้องกคบ ค, ค, คนอื่นเรายอมรับถือพระไตรรนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมป่าอริยสงฆ์ตัดสินใจอย่างนี้ให้แน่นอนนะหลังจากนี้ต่อไปพวกคนจงละความทั่วห้าประการในจิตเสีย ความชั่วห้าปรการนี้เราละเด็ดขาดไม่ได้แต่เวลานี้ต้องละให้ได้เฉพาะเวลาที่ปฏิบัติเพราะเราต้องการเป็นคนดีต้องการเป็นคนคนทุกความชั่วห้าบรายการเวลานี้ที่เราจะต้องไม่คิดถึงมันก็คือหนึ่งการมาฉันทะจิตที่มีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่งของรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศทุกประเภท เฉพาะเวลาที่จเจริญกรรมฐานวางทั่วคราวทิ้งมาใส่จกใจอาการที่สองคือความไม่พอใจคนหรือสัตว์หรือวัตถุหรือเสียงเราจะทิ้งทั่วคราวใครจะมีเสียงเ อ, งอะอะวุ่นวายยังไงก็ตามฉันมีหน้าที่ภาวนาแบบไหนเชื่อภาวนาแบบนั้ น, น, บบ น, นตัวใครก็ตัวมันเราก็เราเขาก็เขา ที่ก็มีเสียงเออะโวยวายเข า, มาเไม่ได้แกล้งเป็นได้ได้กําลังเขาฟีติบ้างทือเจ้าเข้าสูงมาในการก่อนบ้างคนที่มีโรคไส์ศาสตร์ปฏิบัติอย่างนี้ไม่กี่ครั้งโรคก็หายจากกายพระสารโรคไส์ศาสตรด์ดีมากถ้าเขามีโรคไส์ศาสตร์ติดตัวมาเขาก็ต้องรอง้องทมถูกบีบคั้นในเมื่อโรคหายไปเขาก็ไม่ร้อง ให้เวลาที่มีเสียงร้องเข้ามาก็เป็นเรื่องของเขาอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงปีติอีเข้าไม่เคยเห็นเทวดาเขาไม่เคยเห็นพระไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนเห็นเกิดปีติคนไม่ไหวก็เปลี่ยนเสียงอขามานี่ก็ถือเป็นเรื่องของเขาเราจะไปยุง่งตัวเราก็ตัวเราตัวเขาก็ตัวเขาเรามีหน้าที่ภาวนานก็ภาวนานไปการปฏิบัติแบบนี้สงบสงัดมาก เมื่อสมัยปีศูนย์แปดเปรพิวัตสภานมีเท็กเตอร์ขุนสมมาธานห้าคันเขาซ่อมข้างโบทตีเึิงปังเึิงปังพูดกันก็ไม่ค่อจะรู้เรื่องแต่ว่าคนที่ปฏิบัติทุกคนก็สามารถทำได้หมดแลแสดงกำลังใจเขาเข้มแข็งเราต้องทำใจเข้มแข็งแบบนั้นไม่ใช่ดีเสียงเข้าปั้งปป้ปายพดมาบววายกันมาตกใจใช้ไม่ได้ เราก็จะไปเหยียบกณนรกต่อไปต้องตัดสินใจว่าตัวใครก็ตัวใครเขาไปยังไงเปอย่าพวกเราเรามีหน้าที่ภาวนาสำหรับคำภบรนาก็ไม่มี อ, อะไรปณมภะพระทะตามเดิมเวลาภาวนาจริงๆเริ่มต้นใครลมหายใจเขาออกดื่มนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ต้องดึงมากหรือ <c oughs> ใครจะไม่ใช่ลมหายใจเลยก็ได้ เราบ่เวลาที่จิตจะหลุดออกจากร่างถ้าดึงลงใ้ใจมากเกินไปจิตมันไม่ไป <c oughs> ไปล่อยให้ภาวนาไปตามปกตินี่เวลาที่ภาวนาตามแบบฉบับท่านบอกว่าถ้าคนใหม่นะจะเห็นมีแสงพุ่งลงจากเบื้องบนสว่างจ้าลงมาหรือมีแสงพุ่งขึจากเบื้องต่ำขึ้นไป เธอมีแสงสว่างธรรมดาระหว่างกลางอากาศถ้าสว่างเต็มที่พุ่งใจไปกลางแสงแล้วก็จะไปได้ทันทีถ้าถามว่าไปไหนถ้าชินใจขั้นแรกคือพระจุลามุนีเจดีสถานตอนนั้นให้นึกถึงพระพุทธเจา้าเราจะพบพระพุทธเจา้าหลังจากนั้นจะไปทางไหนก็ขอขอรัตนาพุทธเจา้านําทื่อจะนําไป สำหรับคนที่เคยได้มาแล้วแต่ว่ามีอการเดียวก่อนเขาแม้เงาจะผ่านไปท่านที่ยังไม่เคยได้ชายมาก่อนไม่เคยฝึกขึ้นกําลังมาก่อนฌานที่จะเข้าเป็นฌานสี่ยาบมีการเออะตึงตังโครงวามตีอกทุบลมอันนี้เป็นของธรรมาดาเพราะฌานหยา แต่ว่าจะมีการเอามือกระแทกอกหนักๆเวลาเขาเต้นมือตีปั๊บปัปั๊บปับสองสามทีนี่ครูผู้นํำน่ะอย่าเพิ่งรีบไปจับมือสมาธิยังไม่สรงตัวถ้าไปจับมือวางเข่าสมาธิจะเคลื่อนเขาเสียผลปล่อยให้มันตีในอกพับปั๊บปั๊ั๊บมีท่าอย่ทนไม่ไหวจริงๆมาจับมือปั๊บปั๊จับมือต้องค่อยๆจับ แล้วก็วางที่เขาแล้วก็มือจะตีเข่านี้ใช้ได้จิตตรงตัวถ้าวางที่เขาเงียบต่อมือขึ้นมาพนมใหม่สําหรับท่านที่ได้มาแล้วในการก่อนที่แรกก็พนมมือเหมือนกันต่อไปถ้าเมื่อยมือก็วางได้ใช้อารมณ์เดิมภาวานาใช้อารมณ์เดิมพอจิตเพราะเลื่มเลื่อนต้นปรับจับพรูปไปโมสมเด็จตุสัมมาทิฏเจ้าชัดเจนแจ่มใส แสงที่เขาเห็นก็คือพระสมีของพระพุทธเจ้าคนใหม่สำหรับคนเก่านี่เราเห็นพนระพุทธเจ้าตรงเห็นพรูุ้ทธเจ้าชัด ก, ก็ขออารัตนาบารมีอรัตนาบารมีท่านว่าขอบารมีเห็นชัดเห็นเจนแจ่มใส ย, ยิ่งกว่าปกติให้เต็มกำลังการทูลพระองค์ทัเด็กทั้งาวเจ้าเราจะไปไหนก็ไปตามนั้นนี่วิธีปฏิบัติมีเจ้านี้นะ ตอนนี้ไปก็าบรรดาทางบริษัททุกท่านคําว่ากระดาษไม่ควรเรียกว่าหน้ากากหน้ากากมันเป็นเครื่องแบบผีโรดิเกเขากระดาษเขาเ ข, าเขียนชื่อพระพุทธเจ้านะโมพุทายะคนยัเขียนคนยัเรียกชื่อว่าพระเจ้าห้าพระองค์ใช้คําว่าหน้ากากนี่ไม่ถูกนะใช้ศัพท์ไม่ถูก ตอนนี้ไปเอาเอ า, เอานามูทะยาผู้เจ้าหับองปิดหน้ามโนมือเรื่องภาวนาต่อไปได้การปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติเต็มกำลังของมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีทิฏฐานใจวันนี้ขอทุกคนจำตามนี้นะเรา็คยฝึกมาแล้ว ตอนนแนวปฏิบัติจริงๆท่านบอกว่าต้องเต้นผุกปับผุดปับผุดปับใ้คําว่าเต้นเนี่ยมันจะเพาะคนที่ไม่เคยได้มันนการมันนการก่อนเป็นคนใหม่ถ้าคนที่เคยฝึกครึ่งครึ่งกำลังมาแล้วถ้ากําลังยังทรงตัวอยู่ถือว่าชาญสี่ยังทรงตัวอยู่ประเภทนี้ไม่เต้นเมืว่วานนี้ก็การมีบางคนหลงผิดจถือว่าทุกคนหลงผิดก็ไม่ได้ เพาคนสอนก็ไม่ได้หลงผิดจะลืมคนสอนไม่ได้หลงผิดแต่คนสอนก็ลืมไปเป็นนว่าทุกคนถ้าเคยฝึกขึ้นกำลังมาแล้วก็ใช้คำานาตามเดิมแล้วก็ไม่ต้องรอแสงสว่างนักอันดับแรกตัดชินใจขอบาร ม, มีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเพราะเราเคยได้มาแล้ว ขอยพระองค์ทรงช่วยให้มีแสงสว่างชัดเจนแจ่มใสแล้วก็ออกเวลาภาวนาก็ใช้พนมมือที่อกแล้วก็จะไม่ต้องไปคอยสั่นถ้าพนมมือที่อกถ้าจิตใจแจ่มใสดีแล้วเอามือวางที่ตักได้หลังจากนั้นแต่ความจริงก่อนจะภาวนาเนี่ยก็ต้องตัดสินใจก่อนตงหน้ามาเลยเมันก็เป็นการเสริมกำลังเดิม ไอ้การไปต่างๆก็ไปตามที่แถวเราเคยไปแล้วมันไม่ไปไหนไอ้นั่นไปขึ้นกําลังมันก็เหมือนกับไปเวลากลางคืนบางทีก็เหมือนเวลากลางวันไม่แน่นอนนักมืดบ้างสว่างบ้างแต่อย่างเต็มกําลังนี่จริงๆถ้าคนทำคล่องจริงๆเหมือนกับตัวเราไปเองชัดแล้วก็บริการที่สองการไปเนะี่ยยังไม่ทิ้งร่างกายตรง เพาะจิตที่ไปยังมีอาการโยงกับศาสตร์ตามเดิมไม่ใช่หลุดไปแล้วทั้งร่างกายไม่รู้เลยไอแบบหลุดไปแล้วร่างกายไม่รู้เลยมันไปโทษมาแล้วเพราะฉันต้องการวิธีนี้เมื่อสมัยก่อนใช้ลีลาแบบหลุดแล้วไปไปเลยเมื่อถามอะไรเข้าเป็นแบบนั้นเมื่ออยู่ข้างหลังเขาก็ถามอะไรไม่ได้ พนเลิกแล้วเราบอกให้เขาฟังเขาหาวโกโหกเห็นไหมเ้าหาวล้วหลับตาแกล้งโกหกเขามันไป็ข่าวมาที่หลังไม่พูดศาสนาให้คนที่รับฟังแล้วไม่ได้พูดว่ามันตรงตางความเป็นจริงเขามาถามเรื่งพ่อเขาตายเราไปก็ไปเจอพ่อเขาถามว่าคุณเวลาที่ยังไม่ป่วยรูปร่างลักษณะคุณเป็นยังไงอันต้องถามแบบนี้นะ พอดูรูปร่างเขาเสร็จหลังจากนั้นคุณป่วยใกล้จะตายรูปร่างเป็นไงเขาดูภาพแล้วก็อาการที่ป่วยจะตายไอ้อาการป่วยนี่ไม่แน่บางทีคนที่มาถามเรามันไม่ตรงกับโรคที่ป่วยเขาเข้าใจต้องถามว่าคนที่มาถามเนี่ยเขาเข้าใจว่าคุณเป็นโรคอะไรตายแอาการเป็นอย่างอาการตรงไหนบันบอก เขาเป็นผีเขาจะรู้ว่าใครเป็นคนมาถามแล้วคนนั้นมีความเข้าใจยังไงเขาก็บอกมาตรงๆถ้าคนผู้ประเภทนั้นถ้าเราบอกตามความไม่จริงคนที่พูดมันไม่แค่นรกแน่ในเมื่อผู้เจ้าไปต่อการให้เราคนลงนรกแต่เราทําสงเคราะห์คณบางคนให้ได้ดี <c oughs> แต่คนบางคนต้องลงนรกก็เลคิดว่าหาทางเพือปลอดอยนรกให้มากดีกว่า ก็เลยไปหาท่านบอกอยากจะต้องการว่าไอ้การไปแล้วเนี่ยจิตกับประสาทยังโยงกันอยู่ไอ้ตัวที่ไปสวรรค์ก็ดีไปนรกก็ดีไปพรมก็ดีไปไหนก็ตามแต่ว่าสามารถจะถามคนข้างล่างนี่ถามทางร่างกายได้ถ้านก็บอกว่ามีที่ท่านก็สอนวิธีนี้ให้ความรู้นี่ความจรงิงไม่ได้หามาเองเป็นของพระพุทธเจ้าตรงเช่นทุกคนวันนี้ที่เคยไปได้แล้วนะ นวาานี้ก็หลงหลายคนคิดว่าไปแล้วทางด้านกายจะไม่รู้สึกไอ้ทางนี้ยัก็ไม่ถือว่าคนปฏิบัติผิดไอ้คนบอกมันบอกไม่ครบไอ้หนุ่ยคนบอกก็บอกไม่ผิดมันจะบอกไม่ครบใช่ไหมก็ให้จําตามนี้นะไม่ต้องรอแสงสว่างถ้ามีแสงสว่างมาก็ไปตามแสงสว่างถ้าไม่มีแสงสว่างมาเราจับพระมมรูปโฉงสมเด็จตุสัมมาสุตจารยได้ชัดเนจนแจ่มใสก็พุ่งบันิพันธ์เลย แล้วหลังจากนั้นจะสะเกตดดวเราเห็นสว่างกว่าเก่าไหมนี่เป็นปการเพิ่มกําลังสำหรับคนเก่าไม่จะรอครูก็ไม่ไม่จะรอการเต้นปุบปับปุบปับนะถ้าอยากจะเห็นเต้นแต่คุณนักผู้ปฏิบัติไม่เต้นเราก็เต้นซะเองหมดเรื่องหมดเราครูเต้นเองมไหมนี่สําหรับคนที่ยังไม่เคยได้เลยอันนี้เอาแน่คนที่ยังไม่เคยได้เลยก็คือยังไม่มีฌาน ถ้าจิตเริ่มเข้าถึงยฌานสี่หยาบจะมีการตีอกปับปับปปัับมือที่ปนมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันใหม่มันใหม่จริงๆวิชาเนี่ใหม่เสมอเวลานี้พระก็ดีครูผู้ฝึกก็ดีเขายังไม่เข้าใจพอมือตีอกปับปับประเดี๋ยวเดียวจับลงวางเข่าอันนี้ไม่ได้ฌานติดเสื่อมทันทีต้องปล่อยมันตีอกเห็นว่าถ้าขึ้นปล่อยไปเป็นมาโรคแน่อกช้า ไอ้ปุบบปุปปคือกำลังจิตกำลังชายเข้ามั่นคงค่อยๆจับมือวานิจต์กบับวาทนิจต์จะไม่นี่เมือเ่อจยตีตักต่อไปเป็นขอครูคูปฏิบัู้ควบคุมให้ปฏิบัติตามนี่นสันปับปับปับปับดีๆอย่างปล่อดท้องปลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปจับเกี่ยวให้ตีให้หนักให้หนักมากเจี่ยวทั่งตัวเตยโยนไปหมดท่าตายให้ปล่อยน่าก็ัวเป็นมนโษกแน่ว่า มีจับจับมาถ้ามือบางที่ตักก็หยุดไม่เผอไม่ทีตักแสดงว่าจิตเสื่อมไปแล้วให้จับพนมมือใหม่ตอนนี้สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก็ไม่มีอะไรมากเก่าหรือใหม่ก็ตามนะอันดับแรกก่อนที่ภาวนาให้ตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ไม่ต้องไปเวลอเวลา อ, อื่น เวลานี้ตัดสินใจไหรือว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นเต็มไีด้วยความทุกข์เพราะการธรรมะจริงมังเป็นเต็มไีด้วยความเหนื่อยยากควาสบายการพแบแสดงว่าจิตเสื่อมไปแล้วให้จับพนมมือใหม่ตอนนี้สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก็ไม่มีอะไรมากเก่าหรือใหม่ก็ตามนะอันดับแรกก่อนที่จะภาวนา ให้ตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ไม่ต้องไปเวลาเวลาอื่นเวลานี้ตัดสินใจเวล า, วาการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นเต็มไปด้วยความทุกข์โดยการทํามาะจริงมันเป็นเต็มไปด้วยความเหนื่อ ย, ยากควาสบายการพบ ก, กับคนก็ไม่จะดีเสมอไปบางครั้งก็ยิ่มเย้่ยมแจ่มใสก็หาหกันบางครัง้งบางครั้งกน่าหนี้อขอี้ขมวดคนที่เราเคยรักบางเวลาก็เป็นศัตรู คนนี่เป็นศัตรูบางเวลาเขาแสดงความเป็นมิตรทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรจริงจังเราจะมีความเป็นสุขวนความเป็นอยู่ม า, ากเท่าไรก็ตามอย่าลืมว่าเราก็แก่ทุกวันมันเวลาที่ผ่านไปมันก็มากับความแก่ลมหายใจออกแ ล, ล้วลมหายใจเข้าเราลมหายใจเข้าเมื่อไรมันก็ดึงความแก่มาเราเมื่อ น, นั้นเราต้องแก่ตามลมหายใจน้อยใจเข้าเพิ่มชีวิตใหม่หือความแก่เข้ามา พอหายใจออกให้ใจออกไปพ้นความแก่น้อยมันก็ดึงความแก่มากขึ้นมาทุกทีร้อยใจเข้าตัวความความแก่เข้ามาถึงเราทุกวันทุกนาทีขณะที่ทรงตัวอยู่เพื่อความแก่เกิดขึ้นเราก็มีแต่ความทุกข์นอกจากนั้นขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติความทุกข์คือความอาการใดที่ต้องทนคือทนได้ก็ั้นความไม่ดีพระเจ้าเรียกว่าทุกข์ คนกับเสียงที่พูดจาไม่ชอบใจมันก็ทุกคนกับความหิวความเหนื่อยมันก็ทุกองกับการกระปวยไข้ไม่สบายมันก็ทุกเมื่อความตายยังเข้ามาถึงมันก็ทุ ก, กรวมความวาไอโรคโรคระยำนี่ไม่น่าจะมาอยู่ร่างกายเร็วๆอย่างนี้ไม่ควรจะมีอีกถ้าชีวิตนี้ต้องร่างกายนี้ต้องพังเมื่อไหร่ ขึนที่ว่าการกัดมาเกิดเป็นคนไม่มีสาหรับเราในโลกนี้จะเป็นคนเป็นสัตว์เลาไม่มาอีกถ้าการเป็นเทวดาหรือผมกต่างก็ไม่ดีสำหรับเราอีกเราไม่ต้องการมันคือคำว่าไม่ต้องการมันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเทวดาหรือผมมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่จุดที่เราต้องการนั่นคือนิพพาน ขอทุกคนตัดสินใจตามนี้นะหวังนิพพานโดยเฉพาะให้ตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้เออให้กื่องถา่งามทุกคนหวังนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจรังเกียจร่างกายร่างกายนอกจะแก่จะแก่นอกจากจะป่วยทันมีความทุกข์แล้วร่างกายเราร่างกายคนอื่นเต็มไปด้วยความสุขบกโสโคกไม่น่ารัก ยิ่งนานวันเท่าไหรก็น่าไม่น่ารักเข้ามาทุกทีในสุดมันก็ตายตัดสินใจไวเลยนะอยลืมตัดสินใจอย่างหนักก็คือโลกนี้ไม่ต้องการมาอีกร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมด้วยไฟอย่างนี้ว่าเราไม่ต้องการมันอีกความเป็นเทวดาหรือปมเราก็ไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานคนใหม่และคนเก่าตั้งใจแบบนี้นะตอันนี้เวลาปฏิบัติ ให้ทุกคนเอากระดาษที่เขาเขาเขียนว่านโมูทายะกระดาษเนี่ยอย่าลืมที่ว่ากระดาษเป็นของไร้ค่ากระดาษจะไม่มีค่าจริงแต่ว่าชื่อของพระเจ้าทั้งห้าพระองค์นี่มีความหมายมากถ้ากระดาษกูกับผวางกับพื้นก็แสดงว่าเราเห็นว่าผู้เจ้าจะต่ํากว่าเราอย่างนี้กาปรปฏิบัติไม่มีผลเพราะพระเจ้าที่ต้องเทิดทูน ถ้าบังเอิญใครเผลอตั้งใจขอก็มาท่านเสียเป็นชื่อของท่านทั้งห้าพระองค์เวลาภ า, าวนาจริงๆใช้คำภาวนาวณมะภัทธะในตอนต้นจะยึดคำภาวนาคู่กับลมให้ใจได้แต่ว่าเวลาพอจะเคลื่อนออกคำภาวนาจะเร็วขึ้นสําหรับาคนใหม่ตอนนี้จิตมันจะไม่ยึดลมให้ใจเขาออกนี่ต้องปล่อยมันย่าจะไปดึงไว้ คำภาวนาจะเร็วขึ้นเร็วขึ้ น, เ ร, นเร็วขึ้นตามลําดับนี่สำหรับคนใหม่นะถ้าคำภาวนาเร็วขึ้นเร็วขึ้นตามลำดับอย่าไปเร่งนะถ้าไปช่วยมันเดี๋ยวขาดใจตายมันจะเร่งของมันเองต่อมาตอนนี้มือจะตีหนักขึ้นแล้วการสั่นทางมือจะมากขึ้นจนทั้งเห็นว่ารัวนหนักถ้าพูดผู้แนะนําเข้าไปจับมือลงนี่มันจะไม่หยุดมันมันจะตีเข่าต่อไป ถ้าเวลาจะออกจริงๆมีอาการต่างกันบางคนเห็นสสรสว่างพุ่งลงมาจากข้างบนบางคนเห็นสารสว่างพุ่งขึ้นไปจากข้างล่างบางคนเห็นแสสว่างจ้าเฉยๆหนาอากาศตอนนี้ตัดสินใจพุ่งไปตามสารสว่างและตอนนั้นขึ้นไปแล้วจะเกิดอาการเวิรงวางให้นึกถึงพระพุทธเจ้า ท, ทันทีแล้วก็ต่อไปถ้าเราตั้งใจจะไปที่ไหนครูเขาจะสังเกต แล้วครูก็สังเกตดูด้วยนะถ้าคนใหม่มันจะไม่รู้จะไปไหนถ้าคนใหม่จริงเขาแนะนำไว้ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วขอระงพาไปหนึ่งพระจุลามุสองบรรดุกโพลสีราอาัตเทปิินประทับและกสามแดนพนิพพานถ้ายังไม่มีคำแนํนำเอาสามแดนนี้ก่อนแดนสุดท้ายคี่นิพพานนี้ต้องการให้มากสาหรับคนเก่า ที่เคยทำเคยได้เคยรู้ทรมแล้วทางไปก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีอาการชัดเจนแจ่มใสกว่าเดิมดิขอไปตามทาเดิมก่อนแล้ววันนี้ฉันจะออกไปสอบถามและแนะนํเองสมหรับคนเก่าขอทุกคนอย่าลืมว่าใช้คำนาวนะ่นณมะพาทะนะให้ใจเข้านึกว่าณนะมะใจอ่อนเนื้นพาทะอย่าลืมว่าลมให้ใจจะเกาะเกินไป ถ้าเวลามันจะได้มาให้ใจถี่มันไม่ก่อลมหายใจก็ปล่อยมันเลยอย่าไปห่วงลมหายใจมันจะเร่งรัดการภาวนาของมันเองแล้วก็เวลาก่อนจะทําจงอยากคิดว่าเราอยากได้อย่างนั้นเราอยากได้อย่างนี้นะแต่ตัวอยากได้มีอยู่เนะี่ยมันจะไม่ได้เพราะเป็นิวรณ์นิวรณ์ตัวที่ห้าและที่สี่สำหรับตัวที่ห้าคือสงสัยว่าได้หรือไม่ได้ดีตีเราพัง แต่ความรู้สึกและภาพเห็นในระหว่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นให้เชื่อว่า น, นี่เป็นความจริงถ้าสงสัยกิเลสตัวที่ห้ามัเข้าแทรกเลิกความสงสัยได้เพียการหนึ่งคนที่กลัวตายเวลาออกไปแล้วกลัวตายไม่น่าจะมาปฏิบัติมีบางคนจะออกไปกลัวจะตายอันนี้ควรจะกลับบ้านในคืนนีกว่าเพื่อการปฏิบัติกรรมฐ า, านนี้ถ้าอย่างเร็วที่สุดถ้าตายระหว่างนี้ ระหว่างนี้ที่ไม่เราจะมียังไม่มีมมทิศกุ ญ, ญานยังไม่ได้อะไรก็ตามระหว่างนี้จิตอยู่สนถ้าตายระหว่างนี้อย่างเร็วไปไปสวรรค์นแน่ถ้ามีความมั่นคงของจิตก็ไปพรมแน่แต่บังเอิญกำลังพูดอยู่นี่จิตจะเบื่อร่างกายเบื่อโลกที่ขึ้นมาถ้าตายเวลานี้ก็ไปนิพพานแน่แต่เมื่อถ้าตายเวลานี้มันดีแบบนี้ทําไมต้องนั่งโกรธตายเวลาจะออกไปอันนี้ก็มีอยู่ โดยกฎข้งกรรมรา บ, บริเสธกะไม่ได้คนตั้งใจสมาทา น, นกรรมฐานนะ